เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาที่12มิถุนายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปลูกฝังคุณสมบัต ของพุทธศาสนิกชนการที่เราจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงและได้รับอนิสงส์จากการเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ต้องเกิดจากคุณธรรมที่เป็นองค์ประกอบของการเป็นชาวพุทธเป็ไม่ใช่เป็นเพราะว่า เรามีชื่อในทะเบียนว่าว่านับถือศาสนาพุทธแล้วจะทำให้เราเป็นชาวพุทธขึ้นมาเพราะการที่เราจะเพียงแต่เขียนว่าเราเป็นชาวพุทธนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นชาวพุทธเสมอไปการที่จะเป็นชาวพุทธได้นั้นต้องมีคุณสมบัติ หรือคุณธรรมอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ต้องมีศรัทธาในพระรัมนิตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. ต้องมีจาคะคือการเสียสละ 3. ต้องมีศีลคือศีลห้าเป็นอย่างต่ำและ4ต้องมีปัญญาต้องมีความรู้เหตุรู้ผล รู้คุณรู้โทษรู้บาปรู้บุญรู้นรกรู้สวรรค์ถึงจะเป็นชาวพุทธได้ครบทั้งครบท่วนอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นการที่เรามาวัดนี้ก็เพื่อมาปลูกฝังศรัท ธ, ธาจาระศีลและปัญญาให้มีเพิ่มมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเอง ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้าได้ยินเรื่องราวของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ยินเรื่องของพระธรรมคําสอนเมื่อเราได้ยินบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆ แล้วศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับดังนั้นในเบื้องต้นขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราเป็นที่พึ่งของพวกเราเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสนิทใจ ไม่ต้องกลัวจะถูกหลอกลวงเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระทำคำสอนก็ดีพระอาริยสงสาวก็ดีท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเชื่อท่านได้สําหรับพระพุทธเจ้านี้คงไม่เป็นปัญหาอะไร เราทรากันดีอยู่แล้วพระท่านก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วพระธรรมคําสอนเราก็เชื่อได้อย่างเต็มที่ถ้าเราศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องเช่นถ้าเราศึกษาจากแหล่งจากพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นี้ต่างกับพระภิกษุสงฆ์ คนที่มาบวชนี้ห่ผมผ้าเหลืองโกนหัวเราเรียกว่าพระภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารแต่การโกนศีรษะและ้วห่มผ้าเหลืองนี้ไม่ได้หมายความว่าได้เป็นพระ อ, อริยสงฆ์แล้วเพราะผู้ที่จะเป็นพระ อ, อริยสงฆ์ได้ต้องเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพาน คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์นี่คือบุคคลสี่ประเภทด้วยกันที่เราสวดกันในบทของสุปฏิปโนมีบุคคลสี่คู่คือโสดาโสดามรโสดาผลสกิดาคามนะสดิ สกิดาคามีมักสกิดาคามีผลอานาคามีมักอานาคามีผลและอรหัตต์มักอรหัตตผลผู้ที่อยู่ในโสโสดามักก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่กําลังเจริญปัญญามีศีลแล้วมีสมาธิแล้วกำลังเจริญปัญญาเพื่อดับความหลงใน ในตัวตนว่าเป็นตัวเราของเราเพื่อดับความหลงที่คิดว่าตัวเราของเราคือร่างกายจะต้องอยู่ไปตลอดผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาและปล่อยวางร่างกายได้ ไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายผู้นี้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันต้องพิจารณาเรื่องของร่างกายอยู่เรื่อยเรื่อเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของร่างกายที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเหมือนกับศาลาหลังนี้ที่ประกอบขึ้นด้วย หินทรายอิดปูนแหล็กวัสดุต่างๆเมื่อมาผสมการรวมกันก็กลายเป็นสาราขึ้นมาร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันพอมีอาหารเข้ามาร่างกายก็เจริญเติบโตกลายเป็นผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัย ว, วะต่างๆภายในร่างกายร่างกายนี้เมื่อถึงเวลาที่เขา หยุดทำงานดิบน้ํนลมไฟก็จะแยกออกจากกันคนตายไปแล้วไฟก็ออกจากร่างกายไปร่างกายก็จะเย็นไม่มีความอุ่นเหมือนคนที่มีชีวิตอยู่ลมก็จะออกจากร่างกายเล ย, อ, ยออกไปน้ําก็จะไหลออกมาเหลือแต่ดินก็คือส่วนที่เป็นส่วนแข็งทั้งหลาย นี่คือเรื่องของร่างกายผู้ที่จเจริญมักก็คือผู้ที่จเจริญปัญญาพิจารณาความเป็นไม่เที่ยงของร่างกายความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟถ้าพิจารณาไปจนเห็นกระจ่างชัดก็จะปล่อยวางร่างกายได้จะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงตุ ก, กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเอง ผู้ที่พิจารณาคือใจไม่ได้เป็นตุ๊กตาไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปตามตุ๊กตาใจนี้มาได้ตุ๊กตาตอนที่แม่ตั้งท้องอยู่ตอนที่มีเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาผสมกันในท้องของแม่แล้วใจก็เป็นดวงวิญญาณมาครอบครอง แล้วก็ยึดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราแต่ความจริงมันเป็นเพียงน้ำสองหยดของพ่อหยดของแม่หยดที่มารวมตัวกันแล้วก็ได้อาหารคือน้ำน้านมน้ำเลือดของแม่แล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาจนคลอดออกมาแล้วก็อาหารอาศัยอากาศคือลมลมหายใจ เริมลมเข้าไปอาใสยน้ำที่ดื่มเข้าไปอาศัยดินก็คืออาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วก็ไปผสมกันทำให้เกิดมีไฟขึ้นมาในร่างกายทำให้ร่างกายมีความอบอุ่นมีความเจริญเติบโตขึ้นมานี่คือเรียกว่าโสดามะผู้ที่จะบรรลุเป็นโสดาบัน ต้องเจริญโสดามพิจารณากายนี้ให้มากๆจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่ามันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างชัดเจนเข้าใจแล้วก็จะปล่อยวางไม่ยึดติดเหมือนกับไม่ยึดติดกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่น จะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ไปยุดติดแต่ถ้าเราไปยุดติดเราก็จะเดือดร้อนเช่นเรายึดติดกับร่างกายของบางคนแต่ของคนบางคนเราไม่ยึดติดคนที่เรารู้จักเราจะยึดติดเราจะอยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆพอเขาตายไปเราก็เสียใจแต่คนที่เราไม่ยึดติด เราก็ไม่ได้อยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆเวลาเขาตายไปเราก็ไม่เสียใจความเสียใจนี้อยู่ที่เราไปหลงยึดติดไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วร่างกายของทุกคนนี้อยู่ไปได้ไม่นานอยู่ไปได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ต้องเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดาใจถ้าได้รับการอบรมสั่งสอน อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองให้คนอื่นสอนไม่พอเช่นวันนี้มาฟังที่นี่ฟังเดียวเดียวแล้วเดียวก็ผ่านไปถ้าไม่สอนใจต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะลืมเดี๋ยวก็จะคิดเหมือนเดิมอีกคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งไม่ได้คิดว่าเป็นดินน้ำลมไฟ ต้องกลับไปพิจารณาแล้วสอนใจไปเรื่อยๆต่อไปใจจะไม่หลงไม่ลืมแล้วจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่อยากให้เขาอยู่นานเกินไปกว่าที่เขาจะอยู่ได้เขาอยู่ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นพอถึงเวลาที่เขาไปก็ถือว่าหมดกันอยู่ด้วยกันได้เท่านี้เหมือนเทียนที่เราจุด จุดเทียนไปแล้วมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะหมดไปไฟก็จะดับชีวิตของเราก็เหมือนต้นเทียนร่างกายของเรานี้ก็เหมือนต้นเทียนเวลาเกิดมาก็เหมือนจุดเทียนจุดไปแล้วมันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆเทียนมันจะกินตัวมันเองร่างกายนี้ก็จะกินตัวมันเองเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะ มันก็จะตายไปเราจึงไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับร่างกายเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเราเรายังอยู่ต่อไปร่างกายนี้ตายไปเรายังอยู่ต่อเราจะอยู่แบบไหนเท่านั้นเองจะอยู่แบบฉลาดหรืออยู่แบบโง่ถ้าอยู่แบบฉลาดก็อยู่แบบพระพุทธเจ้าคือไม่ไปเกิดใหม่ ถ้าอยู่แบบโง่ก็ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาร้องหยร้องไห้ใหม่เวลาที่ร่างกายอันใหม่ได้มามันแก่มันเจ็บมันตายไปคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกท่านก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้ร่างกายพอไม่ได้อยากได้ร่างกายเวลาร่างกายนี้ตายไปท่านก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ เหมือนคนที่มีรถแล้วเบื่อไม่อยากจะได้รถคันใหม่เพราะรถคันเก่าเสียก็ทิ้งไปแล้วก็ไม่ซื้อรถคันใหม่อยู่แบบไม่มีรถสบายกว่ามีรถแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษารถต้องห่วงต้องหวงและเวลารถหายไปหรือรถมันพังไปก็เสีย อ, อกเสียใจถ้าไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้รถก็ไม่มีรถจะดีกว่า ใจความจริงก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีร่างกายแต่ใจไม่รู้เองเท่านั้นเองใจงโง่ใจไม่ฉลาดไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าใจของท่านนี้อยู่โดยไม่มีร่างกายสบายกว่ามีร่างกายมีร่างกายแล้วต้องแบกร่างกายต้องคอยดูแลตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ ต้องหายใจต้องกินน้ำต้องอาบน้ำกินข้าวต้องหายามากินต้องออกกำลังกายต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาซื้อข้าวซื้อเสื้อผ้าซื้อบ้านซื้อยานี่นี่คือเรื่องของร่างกายเป็นภาระถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวเหล่านี้ อยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่เกิดแต่ท่านไม่ได้ตายใจของท่านไม่ตายใจของเราก็ไม่ตายเพียงแต่ว่าใจของท่านฉลาดท่านไม่หลงท่านไม่ไปหาร่างกายอันใหม่แต่ใจของพวกเรายังหลงอยู่พอตายไปปั๊บก็ไปหาร่างใหม่แล้วร่างอะไรก็เอาได้ร่างหมาก็ยังเอาได้ร่างแมวก็เอา พราอยากจะเกิดอยากจะมีร่างใหม่แต่ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วมันทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยิ่งไปได้ร่างของเดรัจฉายิ่งทุกข์มากกว่าได้ร่างของมนุษย์ <c oughs> แต่ก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ถ้าทําบาปทํากรรมมาบาปกรรมมันก็จะลากไปให้ไปเกิดได้ท้องของเดรัจฉานี่ถ้าไม่ทําบาปทํากรรม ทำแต่บุญบุญก็จะลากให้มาเกิดในท้องของมนุษย์ดังนั้นถ้ายังต้องการจะเกิดอยู่ก็อย่างน้อยก็ควรจะเกิดในท้องของมนุษย์ดีกว่าไปเกิดในท้องของเดรัจฉานก็ต้องพยายามทำบุญให้มากอย่าทำบาปทำบุญก็คือจาคานี่เองนี่คือคุณสมบัติข้อที่สองของชาวพุทธ ให้มีจาคะก็คือการเสียสละเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นอย่างวันนี้ญาติโยมก็เสียสละประโยชน์คือเงินทองเสียสละความสุขที่ได้จากการมีเงินมีทองมาแบ่งให้กับพระภิกษุที่อยู่ในวัด น, นี้เอาเงินนี้ไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆ เอามาถวายพระพระก็เลยมีความสุขที่เกิดจากการได้รับข้าวของต่างๆได้รับประธานอาหารนี่เรียกว่าจากะเราต้องเสียสละเราอย่าเป็นคนตนันีอย่าหวงมากจนเกินไปหวงเท่าที่จําเป็นเก็บไว้สิ่งที่เราต้องมีความจําเป็นที่เราจะยังต้องอาศัย แต่สิ่งที่มันมากเกินไปเหลือเฟืออยากเก็บเอาไว้เพราะจะทําให้ใจของเราแคบแล้วจะทําให้ใจของเราขาดความเมตตาแล้วจะรักษาศีลไม่ได้ถ้าเราเสียสละใจของเราจะกว้างใจของเราจะมีความเมตตาการุณาจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นจะทําให้เรารักษาศีลได้ง่าย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้เพราะศีลห้านี้เป็นเพจเป็นปัจจัยที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในนรกอยู่ที่ศีล น, นี้ส่วนจารคะคือการให้นี้จะทาให้เรา มีทรัพย์มีสมบัติมีคนคอยรับใช้เราดูแลเราเพราะเราได้รับใช้คนอื่นเราได้ดูแลคนอื่นเราได้ช่วยเหลือคนอื่นมาอา น, นิสง์ของการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นรับใช้คนอื่นสงเคราะห์คนอื่นก็จะทําให้มีคนอื่นเขามาดูแลเราสงเคราะห์เรารับใช้เราเวลาเราไปเกิดในชาติหน้า เราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ลำบากยากจนเพราะจะมีคนเขามาสงเคราะห์มาดูแลเรานี่คือเรื่องของจาระะซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อที่สองและศีลก็เป็นคุณสมบัติข้อที่สาที่จะทำให้เราได้เป็นมนุษย์ไม่ต้องไปใช้เวงใช้กรรมในอบาย ถ้าเรายัางไม่สามารถรักษาศีล5ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดเวลาแล้วยังทำบาปอยู่บ้างเวลาตายไปเราต้องไปใช้กรรมก่อนต้องไปติดคุกในอบายก่อนต้องไปติดคุกในนรกบ้างไปติดคุกในการไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรดบ้างพอหมดกรรมแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ถ้าเรารักษาสินห้าได้อย่างตลอดลักษาสินห้ายิ่งกว่าชีวิตคือถ้าให้เลือกระหว่างชีวิตกับสินห้าแล้วเราแต่สินใจเลือกสินห้าเช่นเราไม่มีเงินที่จะเสื้ออาหารแต่เราจะยอมอดตายดีกว่าไปตกปลาเพื่อที่จะเอามาเป็นอาหารยอมอดตายถ้าต้องอดตาย อย่างนี้ตายไปก็จะไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมไม่ต้องไปติดคุบในอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยเช่นพระโสดาบันนี้ท่านพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราท่านพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้ตายไปถึงแม้จะมีผู้อื่นจะมา ฆ่าท่านท่านก็จะไม่ต่อสู้ท่านก็จะไม่ทำร้ายชีวิตของผู้ที่จะมาฆ่าท่านท่านคิดว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วอย่างไรก็ต้องตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไปฆ่าผู้อื่นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมจะไม่คุ้มค่าสู้ตายแบบไม่ไม่ทำบาปจะดีกว่าอยู่แบบทำบาปนี้ขาดทุน พออยู่ไปก็มีความทุกข์มีความกังวลใจมีความไม่สบายใจตายไปก็ต้องไปติดคุกในนรกติดคุกในอบายแต่ถ้าให้เขาฆ่าเพราะถือว่าอย่างไรอย่างไรก็ต้องตายอยู่ดีเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ตายเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ให้มันตายไปแต่ไม่ไปฆ่าเขาไ ม, ไ, ไม่ป้องกันชีวิตของตนเอง พอตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีพราโสดาบันนี้มีภพของมนุษย์ไม่เกินเจดชาติเท่านั้นก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เบื่อนายกับการไปเกิดใหม่นี่คือปัญญาคุณสมบัติข้อที่สที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเจริญกันอยู่นเนือง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 จากของรักของชอบไปเป็นธรรมดาน่วงพ้นไปไม่ไดานี่คือปัญญาที่เราควรที่จะสอนใจเราไปเรื่อยๆเพราะจะทำให้ใจของเราไม่คิดจะทำบาปและจะไม่เสีย อ, อกเสียใจเวลาอะไรเกิดขึ้นมาก็จะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออก เมื่อคืนนี้ฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนวันนี้ตอนเช้าแดดออกเราก็ไม่เดือดร้อนฉันใดถ้าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือร่างกายเราต้องพยายามลแยกร่างกายออกจากใจให้ได้เวลาร่างกายเจ็บใจเราไม่ต้องเจ็บตามใจเรานิ่งเฉยได้ ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปส่วนเดียวเท่านั้นก็พอไม่ต้องไปเจ็บไปกับร่างกายถ้าเรากลัวความเจ็บของร่างกายเราก็จะสร้างความเจ็บของใจขึ้นมาซึ่งจะเจ็บมากกว่าความเจ็บของร่างกายเช่นหมอบอกว่าจะฉีดยาให้เพียงแต่พูดเท่านั้นเราก็เจ็บขึ้นมาที่ใจแล้วทั้งๆ ท, ที่ร่างกายยังไม่ได้เจ็บเลยนี่เรียกว่าความเจ็บที่ใจ เราไม่ต้องไปเจ็บที่ใจใจไม่ใจไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกฉีดยาผู้ที่ถูกฉีดยาก็คือร่างกายเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาถูกฉีดเวลาเจ็บเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บใจไม่ได้ถูกฉีดยาสัหน่อยทำไมไปเจ็บแทนร่างกายทำไมความเจ็บของใจก็คือความกลัวความเจ็บนี้เองหรือความอยากให้ความเจ็บนี้หายไป เราต้องอย่าสร้างมันขึ้นมาเวลาเจ็บที่ไหนก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปกลัวมันเดี๋ยวมันต้องหายเองเพราะไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดจะเป็นไปตลอดความเจ็บนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปได้เราไปบังคับมันไม่ได้อยากจะให้มันหายถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หาย แต่เวลาเราไปอยากให้มันหายนี้เราจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาซึ่งเป็นความทุกข์ความเจ็บมากกว่าความเจ็บของร่างกายอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันดังนั้นเราต้องแยกใจกับออกจากกายกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องไปเจ็บตามมันเราไม่ได้เจ็บเราเป็นเหมือนคนดูหนังร่างกายนี้เป็นเหมือนนักแสดงตัวแสดง เราไม่ต้องไปเจ็บไปกลัวแทนร่างกายเหมือนเราเวลาเราดูหนังเรามักจะไปกลัวแทนพระเอกกลัวแทนนางเอกกลัวพระเอกจะตายกลัวนางเอกจะตายเราไม่ได้ตายไปกับพระเอกกับนางเอกสหน่อยเราไปกลัวทำไมเราดูเฉยเฉยก็พอพระเอกจะตายก็เรื่องของพระเอกนางเอกจะตายก็เรื่องของนางเอกแต่เราไม่ได้ตายสัหน่อยเราไปกลัวทาไม เราไปตื่นเต้นหวาดเสียวทำไมนั่นเป็นเพราะว่าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีสติคอยดึงใจไว้ให้สงบไม่ให้ไปตื่นเต้นกับสิ่งที่เราดูที่เราได้ยินที่เราได้เห็นนั่นเองร่างกายนี้ก็เป็นเพียงเหมือนดาราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเอง เราเป็นเจ้าของตุ๊กตาอย่าไปเจ็บแทนตุ๊กตาอย่าไปกลัวแทนตุ๊กตาตุ๊กตามันไม่กลัวร่างกายนี้มันไม่กลัวเวลาเจ็บขนาดไหนมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่เดือดร้อนเวลาเอาอะไรมาตัดแขนตัดขามันก็ไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจเพราะไม่มีปัญญานั่นเอง ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะสอนใจให้ปล่อยวางทำใจให้นิ่งอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปใจไม่ได้เป็นไปอะไรกับร่างกายนี่คือการแยกใจกับกายให้ออกจากกันร่างกายเป็นของไม่เทีย่ยมแต่ใจนี่ไม่ตายไม่เปลี่ยนแปลงใจนี่อยู่คงเส้นคงวาอยู่มาตั้งแต่เด็กดาบันและจะอยู่ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด แต่ร่างกายนี้มีวันเกิดแล้มีวันตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาใจของเราไปผูกติดไว้กับร่างกายต้องแยกออกจากกันต้องปล่อยวางร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็เป็นไปถ้าเราดูแลรักษาเขาได้ก็ดูแลรักษาไปถ้าไม่สบายมียารับประทานก็รับประทานไปถ้า มีหมอให้หมอรักษาได้ก็ปล่อยให้หมอรักษาไปแต่อย่าไปวิตกอย่าไปกังวลอย่าไปทุกข์ทรมานใจว่าจะหายหรือไม่หายจะตายหรือไม่ตายมันไม่อยู่ในวิสัยของเราถ้ามันจะตายอยากับหมอก็ช่วยไม่ได้เราก็ช่วยไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้เราเพียงแต่ทำใจเฉยๆปล่อยวาง เช่นเราสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปอย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกายปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันใจของเราก็จะไม่วุ่นวายใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราก็จะมีความสุขนี่คือคุณสมบัติสี่ประการประการสุดท้ายนี้ก็คือปัญญาคือเราต้องพิจารณาร่างกายเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกับร่างกายของผู้อื่นร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของญาติสนิทมิตรสหายก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราไม่หลงไม่ลืมแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยเราจะอยู่อย่างมีความสุขและเราจะเกิดความเดือาย จะไม่อยากจะมีร่างกายต่อไปพอเราตายไปแล้วถ้าเรามีปัญญารู้ทันเราก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปนี่คืออ น, นิสงส์ที่เกิดจากการมีคุณสมบัติของพุทธศาสนาชนสี่ประการด้วยกัน<ม>ก็คือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจาคะคือการเสียสละมีศีลคือ สินห้าไม่เบียดเดียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิตัวตเวนีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสรารยาเมาและมีปัญญาคือมีความรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดเราต้องไม่ยึดติดเราต้องปล่อยวาง เราต้องพอยินดีกับการมีของเขาและยินดีกับการไปของเขาถ้าเขายังอยู่ก็ดีถ้าเขาไปก็ดีเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราไม่เดือดร้อนกับการขึ้นกับการตกของพระอาทิตย์เราก็ต้องไม่เดือดร้อนกับการมาและการไปของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขมีความสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงกับการไปการมาของสิ่งต่างๆนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการมีคุณสมบัติของชาวพุทธคือเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างคุณสมบัติ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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุมณสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ